เนปัญหาที่เจ็ดต่อไปถามว่าอะไรเป็นความเศร้าหมองของบารมีอะไรเป็นความเศร้ามองของการให้ทานอะไรเป็นความเศร้ามองของการรักษาศีลอะไรเป็นความเศร้ามองขุนมัวของการเจริญเนคขมมะอะไรเป็นความเศร้ามองขุนมัวของการอบรมปัญญาเจริญปัญญาเป็นต้นแปลว่าอะไรนาะเป็นความเศร้ามองขุนมัวมืดมนของทานศีลเนคขมมะปัญญาวิริยะเป็นต้นเนี่ยนะท่านบอกว่า บารมีทุกข้อเนี่ยนะถ้าตันหา mana t i ฐิบาปอากุศลเข้าไปครอบงําแล้วเรียกว่าเศร้ามองหมดไม่ว่าจะเป็นการให้ทานรักษาศีลเจริญเนฆะธรรมะทุกอย่างนะบารมีสิถ้าตันหาชาบเมื่อไหร่ทิฏฐิฉาบเมื่อไหร่มา n นะชาบเมื่อไหร่บาปอากุศลฉาบเมื่อไหร่เศร้าหมดเลยมองหมดเลยเนี่ยนะมองหมดเลยแนะมก็เหมเือนกับว่าอะไรนะภาชนะทองคําสะอาดๆแต่ถ้าเปื้อนด้วยอุจจาระปัสสาวะละ่ะ ก็มองหมดฉันใดบารมีทั้งสิประการทั้งหลายถ้าเปื้อนด้วยบาปอากุศลธรรมทั้งหลายก็ฉันั้นก็กลายเป็นสิ่งที่เศร้ามองไปฉันนั้นทีนี้ถ้าแยกแยกแต่ความแตกต่างกันว่าอะไรเป็นความเศร้าหมองของการให้ทานของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายมันเศร้าหมองเพราะว่าเราจะต้องให้แต่ ก, กําหนดทายธรรมเราจะให้แต่รูปเท่านั้นเราจะให้แต่เสียงหรือจะให้ข้าวกําหนดว่าเราจะให้แต่ข้าวให้แต่น้ําหมายค่าว่า กำหนดหมายาว่าไม่มีการกระจายเพราะพระโพ ธ, ธิสัตว์ทั้งหลายจะต้องให้แบบให้แบบมอบความแต่ว่าให้แค่อะไรนะ่ะหยดเดียวอย่างเงี้ยนะถ้ากําหนดว่าให้แค่หยดเดียวเมื่อไหร่ก็แปลว่าความเศร้าหมองแปลว่าเศร้าหมองเพราะว่ากําหนดที่จะให้หรือกําหนดผู้รับเราจะให้แก่คนนี้เท่านั้นคนโน้นเราไม่ให้จะให้แต่ที่นี่ที่โน้นไม่ให้เป็นต้นกำหนดของที่จะให้และกําหนด ผู้รับการกําหนดของที่จะให้เท่านั้นกําหนดผู้ที่จะรับเท่านั้นอันนี้เรียกว่าความเศร้ามองของการให้ทานของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายคือพระโพธิสัตว์เนี่ยนะท่านก็คือผู้ที่บําเพ็ญบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อท่านสงเคราะ์ท่านเลือกหน้าสงเคราะห์ไม่ว่าท่านจะสงเคราะห์แต่กษัตริย์ไม่สงเคราะห์ยาจกทั้งหลายท่านก็ไม่กําหนดเลยไม่กําหนดคนที่จะสงเคราะห์ทีนี้ผู้ที่จะปฏิบัติจนเป็นพระพุทธเจ้า จึงไม่มีการกําหนดตั้งแต่เบื้องแรกเนี่ยนะก็ไปเรียกว่าให้แบบไม่มีกําหนดของที่จะให้ก็ไม่มีกําหนดให้จนพอกับความพอใจของผู้รับแล้วก็ไม่เลือกว่าใครจะเป็นผู้รับอย่างพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยนะพระองค์แสดงธรรมด้วยความเคารพว่าคนนั้นจะเป็นนายพรานเนศาสตร์ขนาดไหนหรือแม้กระทั่งจนถึงพระราชาหมากษัตริย์ถ้าพระองค์จะกล่าวธรรมก็กล่าวด้วยความเคารพฉันนั้น เพราะอะไรเพราะพระองค์สั่งสมอุปนิสัยอันนี้มาเนิ่นนานพระองค์เป็นผู้ที่เข้าถึงภาวะที่บริสุทธิ์อย่างเต็มที่ถ้าความเศร้าหมองของศีลแหละก็กําหนดว่าเราจะรักษาศีลกับบุคคลนี้เช่นกําหนดบุคคลก่อนเเช่นถ้าเราไม่ฆ่านะเราไม่ฆ่าแต่มนุษย์แต่สัตว์อื่นฆ่าได้ที่เราว่ากําหนดนะนะกำหนดเราไม่ฆ่าพวกเรานะแต่พวกอื่นฆ่าได้เราไม่ฆ่าสัตว์ใหญ่นะแต่สัตว์เล็ก ฆ่าได้เราไม่ฆ่าสัตว์ในน้ําแต่สัตว์ บ, บนบกฆ่าได้หรือเราสัตว์ บ, บนบกไม่ฆ่าฆ่าแต่สัตว์ในน้ําเป็นต้นไอาการกําหนดแบบนี้ก็เรียกว่ากําหนดว่าเราจะโกงถ้าเราจะอธินนาทานเนี่ยนะจะโคจะโกงเป็นต้นเราก็ไม่โกงพวกกันเองนะคนอื่นไม่เป็นไรเป็นต้นอันนี้เรียกว่ากําหนดบุคคลกําหนดบุคคลเรียกว่ากําหนดบุคคลกําหนดการแล้วกําหนดการอ่ะโอยศีลรักษาแค่วันเดียวคืนเดียวพอแลว้วเนี่ยนะ ต้องไปรักษาอะไรมากเขาร ก, กําหนดเวลานี่ยนะโอ้ยรักษาแต่ตอนเช้าพอแล้วตอนบ่ายก็ไม่ต้องรักษาโรคอันนี้เราว่ารักษาแบบกําหนดเวลาถือว่าเป็นความสศร้ามองของศีลของพระโพธิสัตว์เพราะว่าท่านจะต้องไม่กําหนดสัตว์ที่ที่ท่านจะให้ความให้อภัยให้ความพุ่มครองป้องกันชีวิตและทรัพย์สินความปลอดภัยทุกอย่างและท่านจะเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์ไม่จํากัดเวลาก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์ตลอดไปนั่นเอง ตั้งไว้เลยว่าจะเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์ตลอดไปทีนี้เนคขมะบารมีแหะเศร้ามองเพราะอะไรเศร้าหมองเพราะว่ายินดีในกามเมื่อไหร่ยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสเมื่อไหร่เนคขมะเศร้ามองแล้วแปลว่ายินดีในวัตตะเมือ่อใดเนคขมะก็เศร้าหมองหรือไม่ยินดีในการเจริญกุศลเมือ่อใดเนคขมะก็เศร้ามองเรียกว่าเนคขมะเศร้ามองเพราะ อรติและอารติเมื่อยินดีในการเนคขมมะเศร้ามองเมื่อไม่ยินดีในการเจริญกุศลเมื่อไม่ยินดีในการกำจัดอกุศลในการที่จะออกจากการรมมาพบเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าความเศร้ามองของเนคขมมะเนี่ยนะเพราะไม่ยินดีในในการเจริญกุศลลอนั้นมันท้อเหมือนกันอกรรมมาพบมันก็ไม่ได้ร้อนเสมอไปหรอกมันก็เย็นดีอยู่แล้วอะไรเงี้นะมเศร้าแล้ว เศร้าแล้วมองแล้วเนี่ยนะแปลว่าป่วยแล้วองนั้นเนี่ยส่วนความเศร้าหมองของปัญญาล่ะพอพอมีปัญญาบ้างอล้นะเมื่อมานะเกิดขึ้นว่าเราเนี่ยโอ้ยในโลกในใครจะรู้เท่าเราอย่างนีนะอันนี้ก็เป็นความเศร้าหมองของปัญญาว่าคืออาศัยปัญญาเนี่ยมันจะตามด้วยมานะและตัณหาตัณหามานะเป็นต้นมันก็จะเรียกว่าแอบฉาบทาอยู่จนได้ เราเนี่ยรู้มากกว่าเขาเขาโง่กว่าเราเยอะเนี่ยนะเป็นต้นไอ้พวกนี้แหละความเศร้ามองของปัญญาว่าเราว่าเป็นของเราเข้าใจว่าปัญญาของเรานี่มันฉลาดเฉียบแหลมเนื้อคนอื่นทั้งหมดนะนี่เป็นความเศร้ามองของปัญญาเนี่ยนะเพราะโมแต่บาป น, นะโมแต่เรียกว่าอะไรนะเปรียบเหมือนว่าถ้าเรามีขวานอันหนึ่งที่จะตัดต้นไม้พอเราฟันเข้าไปฉับหนึ่งมันก็เข้าไปลึกเหมือนกันนะเสร็จแล้วก็มานั่งรูปคมขวาน อ้ยขวานของเรานี่คมคมคมคคมค ม, คมจริงๆเนี่ยนะคิดดูฟันครั้งเดียวนี่มันเข้าลึกขนาดนี้แล้วก็รูปแต่คมขวานทั้งวันไม่ต้องทําอะไรแล้วถามว่าต้นมไม้มันจะขาดไหมก็ถือว่าเป็นความเศร้ามองฉันใดผู้ที่มีปัญญาและขโมยแต่ชื่นชมปัญญาของตัวเองจนไม่ง้อไม่พัฒนาสติปัญญาต่อไปก็ฉันนั้นนั่นแหละมันความเศร้ามองของปัญญาก็เพราะมัวกาหนดว่าปัญญาเป็นเราและปัญญาเป็นของเราด้วยอานาจ ปัญหามานะนั่นเองส่วนความเศร้าหมองของวิริยะเทราไหะไเพราะหดหู่แปล ว, ว่าท้อแท้ท้อถอยเสื่องซึมเนี่ยถือว่าเป็นความเศร้ามองของความเพียรแล้วเช่นช้ํชๆเนี่ยนะมันนึกช้ําๆขึ้นมาเนี่ยช้ํามากที่จะให้ทานไม่น้อมไปเพื่อจะให้ทานไม่น้อมไปเพื่อจะรักษาศีลมันช้ําซึมๆอยู่นั่นแหละเคยตื่นมาไหมแล้วก็ตื่นมาแบบไปเลาเลยนะ ตื่นมาแต่ร่างกายแต่ใจิตใจนี่ก็ยังหลับตามเดิมนั่นแหละเขาเรียกว่าไม่มีความเพียรเนี่ยนะนผู้ที่มีความเพียรเนี่ยกล้าที่น้อมไปเพื่อให้เพื่อการให้ทานรักษาศีลเจริญเนคขมมะเป็นต้นไม่หดหูไม่ ท, ท้อถอยไม่ไม่ซึมเป็นต้นแต่ทีนี้ความเศร้าของความเพียรอีกอันหนึ่งก็คือความเศร้ามองของความเพียรบอกทำเกินไป ทำจนตัวเองฟุ้งซ่านอันนั้นก็เรียกว่าเกินไปวัญหาความพอดีให้พบความไม่เศร้าหมองของวิริยะบารมีก็คือไม่ท้อแท้แต่ก็ไม่ฟุ้งซ่านค้าความพอดีพบเนี่ยนะเจอความพอดีในการเจริญกุศลเจริญกุศลแต่พอดีแล้วก็ความเศร้าหมองของขันติคืออะไรกําหนดว่าตนและก็ผู้อื่นเช่นมันจะเลิอกอดทนต่อเมื่ อ, อไหร่หมอแมมรู้จักเราน้อยไปเนี่ยนะ ความอดทนนี่ผิดจำกัดแล้ใช่ไหมมันไม่รู้จักเราจริงเนี่ยถ้ามันรู้จักเราให้มันรู้จากเราซะบ้างอันนี้แหละเรียกว่ากําหนดตนละกําหนดคน อ, อื่นไอ้นั้นมันแค่ไหนวะอย่างงี้ยนะไอ้นั้นมันแค่ไหนมันรู้จากเราน้อยไปเนี่ยนะความอดทนมันก็หมดไปอันนี้แหละเรียกว่าความเศร้าหมองของขันติบอกแม่ไม่รู้จักเราเขาใครว่ากันเป็นต้นเนี่ยนะความอดทนก็เลยอดเลยขันแตกไปเลย ส่วนความเศร้ามองของสัตว์จักรมีก็คือเช่นเห็นในสิ่งที่ไม่ได้เห็นเป็นต้นไมายคือว่าไม่เห็นแต่บอกว่าเห็นไม่ได้ยินบอกว่าได้ยินไม่ทราบก็บอกว่าทราบไม่รู้ก็บอกว่ารู้หรือเห็นก็บอกไม่เห็นได้ยินก็บอกไม่ได้ยินทราบก็บอกว่าไม่ทราบรู้ก็บอกว่าไม่รู้อันนี้ถือว่าเป็นความเศร้ามองของสัตว์จักรมีพูดไปเรื่อยเปื่อยพูดเลอะเทอะเนี่ยนะ พูดแบบไม่มีกําหนดไม่มีกฎเกณฑ์อะไรซักอย่างพูดแล้วก็ยิ่งพูดมากยิ่งบาปมากพูดน้อยบาปน้อยเป็นต้นพวกนี้แหละสัจจะบา ร, รมีเสียหายเหมือนกันเนี่เสียหายส่วนความเศร้าหมองของอธิษฐานบา ร, รมีคืออะไรกําหนดด้วยโทษและคุณในโพธิสมภารและฝ่ายตรงกันข้ามกับโพธิสมภารหมายคําว่าโอ้ยอธิษฐานบา ร, รมีนะ ทานให้ไปทําไมให้เราไม่ต้องตั้งใจให้ทานแล้วพอแล้วนะไม่ต้องตั้งใจเพื่อจะรักษาศีลไม่เพื่อบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วไม่ต้องแล้วคือมันเริ่มอธิษฐานนีแ่แปลวาความตั้งใจมัน่นไม่ตั้งใจมั่นอะ่ะเลิกตั้งใจมัน่นโทษว่าอ๊ย้ยทานนี่มันให้ยากเย็นแสนเข็นได้ให้เลิกให้ดีกว่าศีลก็ทําไมมารักษายากเย็นแส น, แขนเข็นแล้วเกินเลิกดีกว่าเลิกเลิกเลิ ไอ้ใจที่น้อมไปอย่างนี้เป็นความเศร้าหมองของอธิฐานนบารมีพอแล้วเลิกแล้วเอานะมาโอ๊ยทําไมเนี่ยคำว่าวัดต่างมันออกยากเหลือเกินเงี้ยนะไม่เอาไม่ออกกันแล้วะงี้ยนะปัญญาธรรมะทํำไมมันเรียนยากเรียนเย็นแท้ไม่ต้องไปเรียนมันแล้วเนะนี่ยพวกเนี้ยเรียกว่าความเศร้าหมองของอธิษฐานบารมีคําว่าเศร้าเนี่ยบางทีก็หมายถึงว่าเสียหายไปเลยแตกทํำลายเลยแล้วก็ เห็นโทษของการเจริญโทที่สมภากลับเห็นโทษของการสร้างบารมีเห็นคุณของการไม่สร้างบารมีเมื่อไหร่นั่นแหละอธิษฐานบารมีเสียหายเนี่ยนะเป็นความเศร้ามองของอธิษฐานบารมีแล้วก็เหมือนก็ว่าความเศร้ามองแห่งการให้ทานเขาบอกโอ๊ยทำไมให้ใ ห, ให้ยากให้เย็นแสนเข็ญอย่างนี้ ก็ เ, เลยบอกไม่ให้ดีกว่าเพราะ ง, งั้นไอ้การไม่ให้มันสบายกว่าเยอะเนี่ยนะอันนั้นแหละเรียกว่าความเศร้าหมองของการให้ทานทุกข้อก็จะเป็นลักษณะนี้ส่วนต่อไปความเศร้าหมองของเมตตาก็เพราะอะไรเพราะกําหนดด้วยประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์เช่นว่าความเศร้าหมองของเมตตาเนี่ยนะไม่น้อมนําประโยชน์ไปให้แก่ตัวเองและสัตว์อื่นเรียกว่าเลิกคิดต้องการให้ประโยชน์แก่ตัวเองและผู้อื่นนี่เรียกว่าขาด เมตตาแล้วนำแต่สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้แก่ตัวเองและคนอื่นก็เรียกว่าขาดเมตตาเช่นไม่น้อมบุญกุศลคุณงามความดีความสุขความเจริญให้แก่ตนและผู้อื่นเรียกว่าขาดเมตตาน้อมนำแต่สิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษสิ่งได้มีแต่ความเสียหายให้แก่ตนและผู้อื่นก็เรียกว่าขาดเมตตาเนี่ยนะัอันนี้เป็นความเศร้าหมองของเมตตาถ้าน้อมนาประโยชน์เข้าไปให น้อมนําประโยชน์เข้าไปให้น้อมนําทุกโทษออกไปอันนี้เรียกลักษณะของเมตตาส่วนความเศร้ามองของอุเบกขาล่ะโอ๊ยนี้น่าชอบใจนี้ไม่น่าชอบใจนี้น่ายินดีนี้ไม่น่ า, นนายินดีนนนดอุเบกขาพังเลยเป็นความเศร้ามองของอุเบกขาก็เพราะว่ากําหนดนี้ดีกว่าอันนั้นอันนั้นไม่เลวอันนี้ใช้ไม่ได้อันนี้ดีมากอันนี้ดีน้อยเรียกากาหนดว่านี้ปียรูปนี้อ่ะปียรูป นี้น่ารักอภิชานี้น่าโกรธก็เป็นพยาบาทอุเบกขาก็เลยแตกทำลายไปเลยเนี่ยนะทนผู้ที่เจริญอุเบกขาได้ก็ต้องดำรงมั่นดำรงมั่นเพื่ออะไรเพื่อจะได้หมุนกลับไปให้ทางรักษาศีลเจริญเนคขมมะสร้างบารมีอย่างอื่นๆอีกต่อไปแต่ถา้ามัวแต่กำหนวดว่าน่ายินดีน่าปราถนาไม่น่าปราถนาะด้วยอภิชาและโทมนัตเป็นต้นอุเบกขาบารมีก็เศร้าหมอง ส่วนความพ่องแพ้วของบารมีก็เป็นพรุ่งนี้ก็แล้วกันสำหรับวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้เจริญปัจจัยแห่งบุญกุศลขอให้ประสบปัจจัยแห่งบุญกุศล พลจากความเศร้ามองแห่งบุญกุศลให้บุญกุศลทั้งปวงที่ได้เจริญจงมีแต่ความผ่องแผ้วเป็นวิเศษสาภะยะเจริญงอกงามในศาสนาของพระศาสดาตรัสรูม้มรรคผลตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสบมนุษยสมบัติสวรรคสมบัตินิพานสมบัติถึงความพ้นทุกโดยทั่วหน้ากันวันนี้ใช้เวลาแต่เท่านี้นะ